กบเจ้าพระพิบูลอภิปุรโนจากวัดป่าดนไห่โฉกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะอยู่เป็นประจำเนี่ยก็คงจะทราบกันดีว่าในวันอังคารเราจะมาฝึกเรื่องของการปฏิบัติกันท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะเคยมาฟังแต่ฟังในช่วงที่ผ่านๆมาจะรู้สึกงงนิดนึงว่าเออวันอังคารนี่มือนวันอะไรแต่ามาอยู่ๆปุ๊บก็พูดถึงเรื่องการทำสมาธิเลยน่ยก็ทำความเข้าใจนิดนึงว่า วันนักาเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัตินะครับพระเจ้าก็จะนาําประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในการปฏิบัติในที่นี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะคือในเมืองไทยเราเนี่ยการปฏิบัติก็จะเน้นไปในลักษณะที่เป็นรูปแบบเช่นห่าไปในวัดนั่งสมาธิคุณต้องห่มขาวหลับตาด้วยนะเดินจงกรมก็ต้องท่านี้เอามือไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นลักษณะที่เป็นรูปแบบแต่ว่าในการปฏิบัติธรรมมของพระเจ้าจริงๆเนี่ย เราทําได้ทุกรูปแบบเดี๋ยวตบอกทุกรูปแบบเพราะว่าถ้าเราจะมาคิดแต่ว่าเอ้ยฉันจะทําเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิโอ้วันนี้เราขาดทุนแต่ทำไมขาดทุนอ่าตอนกินข้าวคุณไม่ได้ทำกินข้าวถ้าผมว่าเรากินแบบจนอิ่มจนอ้วนอ่าอนี้ขาดทุนละล้วลคิดว่าจะไปชดเชยตอนนั่งสมาธิโอ้ย่าไปทําได้ไงตัวมันหนักขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็จะมึนตึงอัน้นตู้กินอะไรไม่ออกเห็นไม่เห็นลมหายใจเดี๋ยเพราะว่ากินมากเกินไปเดีก็ไม่ได้ช่วยโอกาสตอนที่กิน ในการที่จะปฏิบัติทำด้วยนะทำได้ทุกฝั่ ง, งหรือแม้แต่ตอนที่เราเดินไปเดินมาเห็นสิ่งนั้นดูสิ่งนี้เราก็ปล่อยใจเราเลิดเลินไปอ้าว น, นี่ขาดตุนนะเพราะว่าเราคิดว่าเราจะมาเก็บเฉพาะตอนที่นั่งสมาธิมันไม่ได้นะถ้าผมว่าในระหว่างวันเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างทุกรูปแบบไม่ได้ปฏิบัติตลอดเวลาเนี่ยไอ้ชั่วโมงที่เราจะมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบเนี่ยเราก็จะทำได้ยากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยึดติดรูปแบบกันมากทุกฝัง ในะรูปแบบอะไรต่างๆเราต้องทําไดนะ้ไม่ใช่เฉพาะรูปแบบนี้หรือรูปแบบนั้นนะได้ทุกรูปแบบนะรูปแบบของการปฏิบัติต้องทําได้ทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในท่าไหนนะยืนหรือตั้งนอนเมื่อเราทำกิ จ, จกรรมอะไรกินดื่มพูดคิดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะบ้านโรงเรียนรถยนต์เดินทางนะเราต้องมีการที่เรารักษาจิตของเราอยู่ตลอดเวลาและการรักษาจิตนี่แหละคือการปฏิบัติแล้ว การปฏิบัติก็คือการนําเอาไปใช้งานนะไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปใช้งานเฉพาะตอนที่อยู่ในท่านั่งหลับตาอยู่ในวัด er ไม่ใช่แค่นั้นหรืออยู่ในห้องพระไม่ใช่แค่นั้นแต่คุณต้องนำธรรมะเนี่ยไปใช้งานในพู้นี้คือการปฏิบัตินะําไปใช้งานในทุกๆจุดทุกๆช่วงเวลาของชีวิตทุกๆขณะเลยนะมีจิตตรงไหนเอาธรรมะไปจ่อเอาไว้มีจิตตรงไหนธรรมะไปจี้เอาไว้มีจิตตรงไหนเอาธรรมะไปไะใส่เอาไว้ใส่ธรรมะไว้ตรงจิตที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นดี อย่าตรงนั้นการทำงานออกมาดีเราจะสามารถที่จะตั้งจิตของเราขึ้นจิตที่มีธรรมะเนี่ยมันมีอะไรมากระทบปุป๊บถ้าเป็นปัญหามันก็จะสามารถคิดอานแก้ไขาการงานได้แต่ถ้าเป็นลูกก็มีความเมตตาให้ไปแต่ถ้าเป็นวนัวหน้าก็มีความขยันกันงานทำงานให้ไปแต่ถ้าเป็นลูกน้องก็มีความดูแลเอใจใส่ให้ทํางานตามกําลังแต่เป็นเงินทองที่เข้ามาก็มีการบริหารใช้ใจสม่ําสเสมอไม่ให้เราตกเป็นทาสของเงิน แตนะ่ซึ่งถ้าบอว่าเรามีจิตที่เป็นธรรมะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานั่นคือการปฏิบัติธรรมคือการนำธรรมะไปใช้งานในทุกรูปแบบทุกช่วงเวลาของชีวิตนั่นคือมีธรรมะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของเราเนี่ยแน่นอนการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมันช่วยได้แต่ช่วยได้ในลักษณะ ท, ที่จะทําให้จิตจของเราเนี่ย เ, เวลามีผัสสะไ ด, ได้มากกระทบชอบกรตามไม่ชอบกรนะทำจิตเราไม่ไหลไปตามสิ่งนั้นแต่เวลาไหนล่ะที่มันจะมีผัสสะ กินข้าวมีไหมโอ้ยเต็มที่เลยแต่เราฟังเดินไปตามถนนมีไหมแน่นอนไม่มีเหลือมีแน่นอนแต่ระหว่งเดินทางล่ะอันนี้เราพลาดไม่ได้เลยแต่มันก็มีภาษาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าช่วงเวลาที่ถ้าเราจะมานั่งสมาธินะนั่งคู่ขาหลับตาและคิดว่าจะทําเฉพาะช่วงนั้นเนี่ยวันหนึ่งมันก็อย่างมากก็ชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นแต่ถ้าเป็นคารวาสได้อย่างนี้ก็ดีมากแล้วกลางวันก็อาจจะทําอีกสักคราบนึงถ้า ป, ประสงค์อาจจะได้เต็มที่ แต่ว่าช่วงเวลาอื่นๆของเราเนี่ยมันมากกว่าเวลาที่เรากินข้าวเวลาที่เราทำงานเดินทางพวกนี้เราจะมานั่งหลับตาดูหนังตาอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะยากเพราะฉะนั้นให้เราฉวยโอกาสในทุกรูปแบบแต่อย่าเฉพาะทาเฉพาะเวลาที่เราเป็นรูปแบบแต่ให้ทำในทุกรูปแบบแตให้ทาในทุกจังหวะชีวิตให้ทำในทุกเวลาที่เราระลึกได้แล้วเราระลึกได้เมื่อไหร่ให้ทำเลยทำยังไงอะ่ะให้ติดมาตั้งอยู่ การที่จิตมาตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งนั่นคือมีสติละเระลึกได้แล้วสติเนี้แปลว่าความระลึกได้เช่นว่าขณะที่ท่าน ฟ, ฟังทํากับข้าวเดินทางยืนอยู่ฟังเสียงนี้อยู่เฮ้ยจิตเราไปไหนเอามาระลึกถึงมานึกถึงสักที่ใดที่หนึ่งการที่เอาจิตของเรามานึกถึงระลึกถึงสักที่ใดที่หนึ่ง น, นั่นคุณเอาธรรมะ ม, มาใช้งานละเอาธรรมะเข้าสู่ใจละเพราะนั้นเป็นอะไรเป็นสติสติเป็นธรรมะไหมเป็น ชื่อว่าพึ่งธรรมะแล้วนี่กายของใครก็กายของเรานี่นี่ใจของใครก็ใจของเรานี่ยเอาก็พึ่งตนเหมือนกันเพราะงั้นการที่เราจะเอาธรรมะมาส่งไว้ในใจก็คือการพึ่งตนพึ่งธรรมการพึ่งตนพึ่งธําตรงนี้คือการปฏิบัติธรรมการเอาธรรมะมาไว้ในตนพอเอาธรรมะมาไว้ในตนตนเองมีธรรมะนี่แหละคือจุดการปฏิบัติที่กัมพูชาพูดถึงในที่นี้เอาการปฏิบัติที่เรากำลังพูดถึงวิธีการที่เอาทรงจิตมาทรงไว้ตรงนี้ วันนี้ก็จะเปิดประเด็นตรงจุดที่เรียกว่าธ่านพระนอนุนะเคพูดถึงการที่ปฏิบัติตามเส้นทางในะอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยการเอาจิตมาตั้งไว้กับกายให้จิตมาระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นะก็คือสติถูกไหมสติเนี่ยเป็นเส้นทางเป็นวิธีการนะเป็นเส้นทางเป็นวิธีการไปไหนนะให้เราไปถึงความหลุดพ้นจากความทุกข์ให้กิเลสเนี่ยมันดูดต่ อ, อไปให้ตาหนาเนี่ยมันล่ อ, อไป ตนนีคือประเด็นที่ต้องการจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติในประเด็นที่1ในวันนีนะ้ก็คือเราวควรจะทำในทุกตอนในทุกจังหวะชีวิตของเราประเด็นที่2ที่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติตรงเนี้ยเรื่องการปฏิบัติตรงเนี้ยเป็นเส้นทางอย่างที่ว่าเป็นเส้นทางที่ให้ไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกเป็นเส้นทางที่ทำให้ตัณหานี้ย ม, มันหมดไปมันลอกออกไปนะเป็นเส้นทางที่จะไปสู่ผลกนะ็คือเรื่องของนิพพานเป็นเส้นทางที่เราสามารถเดินได้เส้นทางนี้ก็คือสติ อย่างที่ว่าเวลาที่เราเอาจิตมันตั้งเอาไว้ระลึกถึงกายปฏิบัติอย่างติดต่อไม่ขาดสายอย่างเงี้ยก็เป็นเส้นทางนี่จะไปถึงผลในอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งผลในที่นี้ก็คือเรื่องการตรัสรู้แต่มันจะได้ผลโดยไม่เดยผลก็อยู่ที่ว่าคุณเดินเส้นทางถูกหรือไม่และซึ่งเส้นทางในที่นี้ก็คือเรื่องของอริยามารรคมีองแปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัะสัมมาวาจาจนถึงสมาสมาธิในคิดว่าตั้งบุฟังหลายท่านก็จําได้โดยซ้ําถ้าจําไม่ได้ไม่เป็นไร พูดย่อๆง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญา3อย่างเนี่ยเอาสั้นลงกว่า น, นั้นก็ได้ก็คือสมถาวิปัสนาแประเด็นที่สอนที่ต้องการพูดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติในวันนี้คือจึงเป็นเรื่องของสมถาวิปัสนาน่า ว, ว่ามีครั้งหนึ่งที่ท่านพระอนุอยู่ที่กรุงโกสัมพีที่นั้นก็เป็นวัดที่ชื่อวัดวัดโคสิตารามอยู่เมืองโกสัมพีก็ได้ผู้ใครพูดถึงเรื่องสมถาวิปัสนาเนี่แหละน่า ว, ว่าบางครั้งเนี่ย เราเดินตามมรรคขนทางเนี่ยนะมรรคแนี่แหละพูดย่อๆยยง่ายๆเป็น2อย่างคือสมถะวิปัสนาเนี่ยบางทีเราเจริญวิปัสนามีสมถะนาบางทีเราเจริญสมถะมีวิปัสนาเป็นเบื้องหน้าคือมีวิปัสนานำํำบางที่สมถะวิปัสนาเดินไปพร้อมกันนะก็มีเป็นอย่างไรคื อ, อยกตัวอย่างง่ายๆพูดถึงเรื่องของเจริญสมถะ นีมีวิปัสสนานำการเจริญสมสถะสมสถะคืออะไรก่อนเนี่ยสมสถะคือความที่จิตเป็นอารมณ์ันเดียวแต่ความที่จิตนิ่งเป็นอารมณ์ั เ, เดียววิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาคือการที่เห็นตามที่มันเป็นนะัว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างไรทําไมไม่ถึงต้องไปคู่กันนะการที่ไปคู่กันเนี่ยหมายความว่าเราจะเห็นสิ่งไดสิ่นิ่งตามที่มันเป็นตามสภาพของมันเนี่ยจิตของเราต้องไม่วิ่งไปเข้าหานะีไม่วิ่งเข้าหาดนที่นี้คือไม่กำหนัดลุ่มหลงโเมาเพลิน ไม่วิ่งหนีไม่วิ่งหนีนี่ก็หมายถึงความไม่ขยันขันแข็งหรือว่าขัดเคื่องในสิ่งนั้นเราฟังเสียงได้เสียงหนึ่งถ้าเป็นเสียงที่เราชอบถ้าจิตเราวิ่งเข้าหาคือแบบไปกำหนัดลุ่มหลงคุณจะไม่เห็นเสียงนั้นตามที่เป็นจริงได้ว่าเสียงนี้พูดเรื่องอะไรเนื้อหาเขาเป็นยังไงความหมเขาว่าอย่างไรนะเพราะเรากำหนัดแล้วเราแบบลำเอียงแล้วอะนะลำเอียงในการที่จะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วันก็จะไม่เห็นตามที่มันเป็นไม่เห็นตามที่เป็นจริง หรือว่าถ้าเราฟังเสียงแล้วเรารู้สึกขยะกขยังเกลียดชังเสียงที่ไม่ชอบเลยบางทีเนื้อหาอาจจะดีก็ได้เดคนที่พูดอาจจะพูดด้วยเจตนาดีก็ได้แต่เราแบบลําเอียงแล้วอ่ะลำเอเียงไปในทางไม่ชอบเราก็จะไม่เห็นเสียงนั้นตามที่เป็นจริงเป็นลักษณะการที่จใจของเราไม่วิ่งเข้าไปหานะไม่วิ่งนี่คือการที่คุณมีสมรัถนะแล้วการที่เราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้ว่าเออมันมีข้อดีอยัางไงามีข้อเสียอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรมีประโยชน์ไหม เกิดจากอะไรจะดับได้ยังไงผู้แนีเป็นการเห็นตามที่มันเป็นสภาพของมันว่าถ้าจะสรุปงานคือไม่เที่ยงอะไรนะเพราะฉะนั้นสมาธิวิปัสสนาที่เราจะเห็นได้เนี่ยเขต้องไปพร้อมๆกันคือมันต้องอยู่ด้วยกันน่ะเพราะว่าถ้ามีอันใดอันหนึ่งมันไปไม่ได้เราจะเห็นตามที่เป็นจริงทำวิปัสสนาไม่ได้เลยถ้าจกิดเรามีการลำเอียงแต่ถ้าเกิดเราตั้งทียมตั้งมั่นได้วิปัสสนามันก็จะเกิดได้จนเราสามารถเห็นตามที่มันเป็นได้มันจะมาโดยอัตโนมัติ พระมันจะต้องเป็นของไปที่คู่กันแต่สิ่งที่พันพระนุนเสริมเพิ่มเติมในที่นี้นา่นว่าเจริญสมถะวิปัสนาณั่นแหละแด้เอาอะไรเป็นเบื้องหน้าน่ะเอาสมถะเป็นเบื้องหน้าหรือเอาวิปัสนาเป็นเบื้องหน้าหรือว่าไปพร้อมๆกันและนี่คือประเด็นที่สองที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดในที่นี้เอาเอาเรื่องที่ว่ามีสมถะวิปัสนาคู่กันนี่แหละแต่ว่าเอาวิปัสนาเป็นเบื้องหน้าเป็นยังไงท่านทานฟังเคยเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กนี่หมายความว่า เด็อายุตั้งแต่เป็นแบร์บอกก็ตามจนถึง2ขวบ3ขวบหรือเด็กที่จนกระทั่งขึ้นไปถึงอายุ4ขวบซึ่งเป็นช่งไวงวัยที่อาจจะพูดรู้เรื่องบ้างแหละแต่ว่าความไร้เดียงสา ข, ของเขาก็จะมีอาจจะวิ่งเล่นบ้างถ้ามันเดินได้แล้วอาจจะแบบกลิ่งร้องไห้งอแงต่างต่างๆต่ถ้าสมมุติว่าเด็กเขาจะวิ่งเล่นอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ยอมอยู่นิ่งแต่เราก็จะไปบังคับให้มันอยู่นิ่งนิ่ง4ี่ลูกนั่งสี่ลูกเตออย่าเล่นจนเบอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ถ้าเราบังคับเขามากเกินไปเนี่ยบางทีมันร้องไห้เลยนะเด็กเนี่ยเหมือนกันท่านผู้ฟังจิตของเราเนี่ยถ้าบางทีมันบังคับมากเกินไปแต่มันจะคิดมันจะไปพิจารณานั่นนี่นอนแต่เราบังคับบังคับมันให้มันนิ่งให้มันคงที่ไหนมันไม่ไปไหนคิดว่าจะเอาสมาธินํามันร้องไห้เลยตัวนี้มันแตกมันเป็นปวดหัวเป็นไปอย่างอื่นมีความคิดบ้าบอยิ่งฟุ้งซ่านอ่ะเขาพีก นะลนักษณะเดียวกันกับเด็กที่เขาต้องการวิ่งเล่นอะไรต่างๆเมื่อที่เราแบ่ครับกูเกิลมากกันไปเขาก็ร้องไห้แตนะ่เช่นเดียวกันตรงนี้ก็หมายความว่าไงหมายความว่าคุณจะเอาสมถะนำเนี่ยไม่ได้ก็ต้องเอาวิาปัสสนามแต่เพราะนั้นเวลาที่เด็กเขาจะไปวิ่งเล่นเดินเล่นหรือว่าเขาจะไปเป็นเวลาที่เขาจะต้องแอคทีฟเป็นเวลาที่เขาจะต้องมีกิจกรรมนะเราก็ให้เขาทํากิจกรรมซะนะใหนเขามีงานการที่เขาจะต้องทํามีอะไรให้เล่นในะเวลาที่ต้องให้เด็กเล่นมันก็ต้องมี เราต้องใ้เขาเล่นแตนะ่เล่นอยู่ในลักษณะไหนเล่นเครื่องเล่นอะไรเล่นในกรอบเวลาเท่าไรแนะ่เล่นแล้วได้ผลเป็นยังไงอันนี้เราต้องควบคุมตรงนี้นตะ่เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาที่จะให้เขาตั้งอยู่ในความดีตรงนี้นะให้เล่นในสิ่งที่ดีๆแต่เป็นการฝึกทักษะอะไรต่างๆแ ต, ตนะ่เด็กก็ต้องเป็นอย่างนั้นนตะจิตเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นได้บนะนะนะวังแต่เวลาถ้าเขาจะนิ่งไม่ได้แตนะ่เป็นเวลาที่เราจะต้องพิจารณาเราก็ต้องให้เขาพิจารณานัคือเอาวิปัสสนานํานำให้แยกแยะ เห็นโดยความเป็นธาตุพิจารณาไปเลยแทนที่ใช้ให้มันคิดบ้าบอเรื่องอดีตนาคตเรื่องคนนั้นคนนี้เอาให้มันมาคิดในเรื่องที่เป็นธรรมเป็นวินัยให้มันมาคิดพิจารณาแยกแยะโดยความเป็นธาตุก็ได้ให้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ได้พิจารณาเห็นกายโดยเป็นธาตุสีน้ำไฟลมเห็นเป็นขมผมขนเล็บฟันหนังเห็นอาหารโดยความเป็นของไม่น่ายินดีเห็นสิ่งปฏิกูลต่างๆในเห็นธาตุเห็นอเยตนะแยกแยะออกไป นะพิจารณาเห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นความเป็นของไม่สวยงามการพิจารณาตรงนี้อยู่ในกรอบแตนะ่เช่นเดียวกันกับเวลาที่เราเลือกเครื่องเล่นให้เด็กเล่นแตนะ่ก็ตามอายุต้องดูถึงความปลอดภยัยดูถึงช่วงกําหนดเวลาดูถึงเวลาที่เหมาะสมตรงนั้นตัวนี้นคือเอาวิปัสสนานํานเะาวิปัสสนานําอยู่ในกรอบของสมาธิแอยู่ในกรอบที่เราขีดเอาไว้แล้วยังอยู่ในกรอบของความที่เป็นอารมณ์ัเดียวอยู่ในกรอบที่ไม่ออกไปจากเรื่องที่เป็นกุศล ก็คือถ้าเราคิดเรื่องที่เป็นอกุศลแสดงว่าออกนอกเกณฑ์สมถะละออกนอกเกณฑ์ของสมาธิละเพราะในสมาธินั้นจะต้องไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลนาเกิดขึ้นถูกไหมความที่เป็นอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดพิจารณาในเรื่องที่เป็นกุศลอยู่อันนี้มีสมถะอยู่นะแล้วก็คิดพิจารณานนั้คือเอาวิปัสสนานักนะก็คือเป็นการเจริญสมถนะมีวิปัสนาเป็นเบื้องหน้านะมักก็ย่อมเกิดนะย่อมทํามัก แล้วก็สามารถละสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัะได้อันนี้คือที่ท่านพระอนุนต์กล่าวเอาไว้ในะเรื่องของการพิจารณาก่อนเพื่อที่จะทําให้จิตสงบแลนะ่แล้วไอ้การที่จิตสงบลงไปเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดจากการที่เราพิจารณาแล้วเห็นตามจริงแล้วเห็นตามจริงแล้วมีความหนายมีความหนายแล้วมีความคลายกําหนัดมีความคลายกำหนัดแล้วปล่อยวางในะการปล่อยวางตงัวนี้จิตเราจะสงบลงไปเย็นลงไปในะการเยน็ยนการสงบตัวนี้ก็เป็นไป ตามลำดับลําดับนะก็จะมีความเป็นขั้นที่มันลึกซึ้งค่อ ย, อยลึกซึ้งลงไปนะจากกิเลส ต, ตัวนั้นตัวนี้เราก็พิจารณาเห็นจริงวางได้เวทนาตรงนั้นตรงนี้พิจารณาเห็นจริงวางได้นะวางตัวนั้นได้วางตัวนี้ได้วางไปวางมาเอาละสั่งโย์เครื่องร้ายรัดได้นะก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นขั้นเป็นขั้นไปตรงนี้ก็ค่อยๆในการที่จะเอาวิปัสสนานำนะเพื่อให้ทำจธรรมะตามน ะ, จะเจริญจธรรมะนั่นแหละแต่มีวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้า อันนี้คือคำตรงนี้ที่เราอธิบายกันแต่เนะปรียบเหมือนเด็กที่ถ้ามันจะวิ่งเล่นวิ่งซนแล้เราก็ให้เขาไปเล่นซะเล่นอยู่ในเรื่องราวที่เรากําหนดให้แตนะ่ถ้าจะบังคับขู่เข็นให้เขาสงบให้เขานั่งนิ่งเดี๋ยวเขาจะร้องไห้แต่ถ้าเราจะแบบบังคับขู่เข็นจิตของเราให้มันสงบให้มันนิ่งไม่คิดอะไรบางทีมันปวดหัวบางทีมันเป็นไปอย่างอื่นบางทีมเป็นบ้าไปเลยนะแต่เราก็ต้องระวังตรงนี้ก็ต้องต้องฉลาดนะท่านผูฟังอ่าประเด็นที่2ก็คือจเจริญวิปัสสนา มีสมถะเป็นเบื้องหน้าเจริญวิปัสสนามีสมรรถะเป็นเบื้องหน้าคิดว่าเติมวางหลายคนก็คงจะได้เคยฟังเคยรู้มาล่ะนต่ว่าทําสมาธิให้ได้ก่อนแล้วก็เจริญวิปัสสนาทำจิตให้นิ่งก่อนให้มันเย็นก่อนให้มันสงบก่อนแล้วก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงตรงนั้นสําหรับบางคนน่นก็จะเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์หลายท่านก็เป็นลักษณะนี้หลังจากอธิบายอาการทางจิตของท่านว่ามีการเจริญวิปัสสนานะแล้วก็มีสมรรถะเป็นเบื้องหน้านะ ทามรรคสร้างผลให้เกิดขึ้นไดนะ้นนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะที่ที่ทําได้อันนี้ที่ท่านประอนุนบอกเอาไว้แนตะ่ส่วนอันที่3ก็คือการเจริญสมถาวิปัสสนาควบคู่กันไปนะคือจริงๆมันคู่กันไปนั่นแะหละท่านฟังทั้งสมถะและวิปัสสนามันคู่กันไปแต่ว่าเราจะเห็นอะไรเป็นหลักนะถ้าสําหรับคนที่ทําสมาธิได้ยากก็เอาวิปัสสนาเนี่ยเป็นหลักนะในการที่จะทําตรงนั้นก่อนเอาเป็นเบื้องหน้าก่อนนะให้ แต่เราตั้งอยู่ในวิปัสสนาก่อนแล้วก็ทําสมถะให้เกิดขึ้นได้ส่วนคนที่จิตสามารถทําสมาธิได้เราก็ตั้งตนอยู่ในสมาธิก่อนในสมถะนั้นก่อนแล้วก็ทําวิปัสสนาให้เกิดขึ้นอย่าไปติดในสมาธิอย่าไปลุ่มหลงความสุขในสมาธิแต่ให้เห็นตรงนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยมพิจารณามันให้ดีให้ถูกหรือใช้กําลังปัญญาตรงนั้นในการที่จะพิจารณากายบ้างพิจารณาเสียงบ้างอยจฉาบ้างก็ทําไปตรงนั้น หรือบางคนก็จะต้องคู่กันไปนะความคู่กันไปต้องมีแน่นอนมันต้องมีแน่นอนแล้วถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรละ่ะว่าเราจะเป็นแบบไหนเอ๊ะฉันต้องเอาสมาถานามหรือว่าฉันต้องเอาวิปัสสนานามหรือของฉันจะทําคู่กันไปแนวะคิดอนหนึ่งที่เราจะจะดูได้ก็คือสภาวะของจิตเราเป็นอย่างไรสภาวะจิตใครนะก็จิตท่านผู้ฟังนั่นล่ะไม่ใช่จิตข้าพเจ้าไม่ใช่จิตคนอื่นจิตตัวเราเองแล้วถามว่าใครจะมารู้จิตตัวเรเองดีที่สุดตอบ ก็ต้องตัวเราเองนั่นแหละจะต้องรู้จิตเราดีที่สุด่จะหมอดูจะมารู้จิตเราดีกว่าตัวเราเองได้อย่างไรแต่ว่าเราคิดอะไรเราไม่คิดอะไรหมอดูเขาไม่สามารถดูได้ว่าเราคิดอะไรแต่คือคนดูได้ก็มีบางที่ก็มีความสามารถพิเศษรู้ว่าคุณคิดอะไรแต่มีกําลังสมาธิเขาดูได้อยู่แต่คนที่มีความสามารถแบบนั้นก็จะไม่ได้ไปเที่ยวหาดูคนนั้นคนนี้ว่าเขาคิดอะไรคิดยังไงนะมันมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะตามกันเพราะฉะนั้นคนที่จะฉลาดในวัฏจิตของตัวเองมากที่สุด ก็ต้องเป็นตัวเราตัวเราต้องฉลาดในวาระชีวิของตัวเราเองมากที่สุดนะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นคุณอย่าไปหวังเลยว่าใครจะมาฉลาดในวาระชีวิตของตัวเราเองนะเขาไม่ได้มาเที่ยวจะมาบอกความในใจของคุณให้คุณรู้นะแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้ได้คือว่าจิตของเราเป็นแบบไหนจิตของเราเนี่ยมีสภาวะที่เวลามีผัสสะอะไรมากระทบแต่ถ้ามันจีจ๊จ๊าดอยู่เรื่อยนะมีราคาโทรศัพท์ว่าเกิดขึ้นได้ง่ายแต่เกิดขึ้นได้ง่ายนีย่คือหมายความว่า มีมีความแนวโน้อมอะนะมีแนวโน้มในการที่จิตมันจะแบบพึ่มฟุ้งขึ้นมาหรือว่าลุ่มหลงไปหรือว่างุนงงอยู่นะถ้ามีแนวโน้มใน ล, ลักษณะนี้มากสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการที่จะเข้าสู่สมาธิทําจิตให้สงบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ได้ยากนี้หมายความว่าไม่ใช่ไม่ได้ก็อาจจะได้อยู่แต่ยากเพราะฉะนั้นวิธีนี้ทํำยังไงแต่จะทํายังไงถึงจะเจริญสมถวิปัสสนาไปได้ก็ต้องเอาวิปัสสนานำ นะสําหรับคนที่มีภาวะในลักษณะที่ว่าจะเกิดราคาโทสะโมหะได้ง่ายนะก็ต้องเอาวิปัสสนามแต่เช่นคนที่คิดมากๆจะคิดนั่นคิดนี่คิดนอนอวินาทีนึ่งคิด3เรื่องก็จะจัดเข้าอยู่ในหมว่ตรงนี้แันะ่ถ้าเราจะแบ่งเป็นสองกล่องเนะื้อส่วนอีกกล่องหนึ่งก็คือคนที่เวลามีอะไรมากระทบจะมีแนวโน้มที่จะเกิดราคาโทสะโมหะเนี่ยได้น้อยกว่านะได้น้อยกว่าคนประเภทแรกอาจจะอยู่นิ่งได้มากกว่า นิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยสื่อสารกับใครเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยคิดอะไรแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ทํางานนะแต่แนวโน้มในการที่จะเกิดราคาโต๊ะสมโมหะเนี่ยจะน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้คนที่เป็นแบบนี้เนี่ยจะสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะเอาสมถะนาได้เอาสมถะเอาทําจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วค่อยเอาสมาธินั้นน่ะมาพิจารณาแโดยที่เห็นตามที่เป็นจริงในสมาธิไม่ลุ่มหลงมโมเมายึดถือในสมาธินั้น อันนี้ก็สามารถทําได้คนที่กลางๆแล้วก็เจริญสมถาวิปัสสนาไปคู่กันไปพร้อมกันแต่สมถาวิปัสสนาไปพร้อมกันนี่เป็นยังไงแล้วก็คือบางทีเราเราต้องฉลาดในวัจจินของตัว เ, เองนะว่าตอนนี้ถ้าเราพิจารณามากเกินไปเห็นความไม่เจองความไป็นของไม่น่ายินดีเนี่ยถ้ามันเลยเถิดเกินไปเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านมันจะแบบฟุ้งซ่านไปคิดเป็นเรื่องที่นอกแนวไปแล้วเริ่ม2ไปในทางที่เป็นการปฏิบัติเบียดเบียนนะฟุ้งซ่านไปในแนวนั้น หรือว่าถ้าสมถ า, ามากเกินไปนะมันก็จะเป็นไปพวกความเกียดคร้านแบบนิง่งแบบไม่ไหวติงแบบไม่ทําอะไรเบือ่อขี้เกียจไปนีมันมากเกินไปละตรงนั้ น, นก็ต้องทําให้มันสมดุลทําให้มันพอดีทั้ง3ส่วนนั่นแหละนะพวกที่เอาวิปัสสนานวก็ทําเพื่อที่ให้จิตสงบพวกที่เอาความสงบนําก็ทําเพื่อที่จะเห็นความรู้แจ้งนะแล้วถ้ามันรู้แจ้งเห็นจริงมากเกินไปอ้าวมันเลยไปละแล้ ว, วถ้าสงบมากเกินไปอ้าวมันขี้เกียจไปแล้ว ถ้ารู้แจ้งเห็นจริงมากเกินไปมันก็ฟุ้งซ่านไปละแต่ถ้าสงบมากเกิไปมันก็ขี้เกียจขี้คลายไปละนะทุกคนก็ต้องปรับตัวแต่ว่าเราจะอยู่ในดินแดนไหนมากกว่าเราอยู่ในโซนไหนมากกว่าเราจะเอาหนอะไรนําอะไรแต่เราพิจารณาดูตรงนี้ได้ซึ่งสภาพว่ของจิตแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันในอินทรีย์ของคนแก่อ่อนไม่เท่ากันความสามารถในใจมันไม่เหมือนกันบา ร, รมีต่างๆที่สั่งสมมาไม่เท่ากันตรงนี้จะเป็นเกณฑ์ที่เราจะวัดได้ว่ามาร์คือเส้นทางเนี่ย ทีิพราให้ไว้นะมีอรอยิยมรรคม่ล ง, ง8ปนดะสมาธิติดจนถึงสมาธนะิพูดง่ายๆคือสี่สมาธิปัญญาพุยอนลงมาอีกก็สมาติวิปัสนานะพูดไปกลางๆอย่างนี้ทุกคนต้องทําแน่นอนไปตามเส้นทางนี้แต่ทําด้วยเทคนิคภายใ น, นคุณจะก้าวเท้าซ้ายก่อนหรือคุณจะก้าวเท้าขวาก่อนเวลาจะวิ่งไปเนี่ยเป็นสองขาวิ่งไปแล้วนะ ก, ก็ได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะเอาอะไรนําก็อยู่ที่สภาวะว่าขาไหนคุณแข็งแรกว่ากันนะถ้าเรามีจิตสภาวะแบบนี้ จีบเป็นสภาวะที่มีราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นได้ง่ายก็เอาวิปัสสนามถ้าเป็นจิตที่มีราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นได้ยากกว่าเวลาที่มีอะไรผัสสะมากระทบก็เอาสมาธนําแต่ถ้ากลางกลางก็เอาทั้งคู่นําถ้ากลางกลางก็เจริญสมาธิวิปัสนาไปพร้อมๆกันได้แต่กระบวนการตรงนี้ท่านพระอนุนได้พูดเอาไว้และเพื่อที่อธิบายว่าอันนี้เป็นเส้นทางนะเป็นเส้นทางเส้นทางเนี่ยหมายความว่าคุณต้องทําไปเรื่อยๆนั้นทําไปเรื่อยๆหมายความว่า ทำแบบเดิม น, นั่นแหละนะอย่างเช่นว่าเวลาเขาสร้างถนนเขาสร้างถนนในเขาก็สร้างแบบเดิมในกิโลเมตรแรกก็เหมือนกับกิโลเมตรที่2กิโลเมตรที่2ก็ทําเหมือนกับกิโลเมตรที่10แต่แต่กิโลเมตรที่1 2ึ่ถึงสิเนี่ยมันก็ผ่านดินแดนที่ไม่เหมือนกันผ่านปา่าผ่านภูเขาผ่านต้นไม้ผ่านในเมืองอต่างๆไม่เหมือนกันแต่วิธีการทําถนนเหมือนกันเหมือนกันทําไปทําไปอา้าวสร้างถนนจากกรุงเทพไปถึงเชีงยงใหม่ได้แล้วก็วิธีการเดิมตั้งแต่กิโลเมตรแรกทําไป นี่คือลักษณะของเส้นทางลักษณะของเส้นทางเช่นเดียวการเราเจริญสจิาวิปัสสนาคู่กันไปบางทีเอาอันนี้นําอันนี้อันนั้นนําอันนั้นแต่ก็ต้องทําคู่กันไปนั่นแหละนี่คือเส้นทางคือทําให้มันไปเรื่อยๆผู้ชจ้าใช้คําว่าทําให้มากทําให้เจริญนะซึ่งพอเราทําให้มากทําให้เจริญก็คือหมายถึงทําซ้ํำๆต่ําย่าๆทําซ้ำๆตําย่าๆทําไม่ถูกด้วยการบางทีเราก็อย่างที่ว่าต้องพิจารณาฉลาดรู้วาระจิของตัวเราเอง เราการที่เราจะฉลาดรู้วารทธิ์ของตัวเราเองได้และสติคุณจะต้องมีในระดับหนึ่งเพราะในเรื่องของ C, อินทรีย์คือสติเนี่ยก็ต้องมีคุณจะมีอินทรีย์คุณมีสติตั้งขึ้นได้ศรัทธานในคําสอนของพระเจ้าคุณก็ต้องมีมีศรัทธานในกระบวนการการปฏิบัติมีศรัทธานในเรื่องของความมั่นใจว่าวิธีการปฏิบัติแบบนี้มันจะทําให้ได้ผลได้และคือมีความศรัทธานนเรื่องของพระธรรมและคือวิธีการปฏิบัติมีความศรัทธานในตัวอย่างว่าตัวอย่างที่เขาทาให้เห็นมีแล้วปฏิบัติได้ ก็มีนั่นคะือเรื่องของพระพุทธเจ้าแต่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติอย่างเต็มที่แต่เราก็ถ้าตัวเราเองเอามาทําเองนะให้มันได้มีความมั่นใจในตัวเองว่าเอฉันจะต้องทําได้เหมือนกันนะถ้ามีพระพุทธเจ้าทำให้ดูเป็นตัวอย่างวิธีการทําที่มันถูกต้องมีความมั่นใจในวิธีการทําเอาวิธีการนั้นนะมาทําในตัวเราเองนั่นะคือการปฏิบัติของเรานั่นคือมีความมั่นใจในการปฏิบัติคือมีความมั่นใจในสงฆ์แล้วมีพุทธธรรมสงอยู่ในใจแล้วก็ทํานถ้าทำอาจะอย่างที่ว่า ถ้าข yes. ุดตะกักบ้างติดขดัดบ้างเด็กอาจจะร้องไห้บ้างเอาก็ปรับเปลี่ยนร้องไห้ก็ให้เขาไปเล่นหรือเล่นก็อยู่ในกรอบเถ้าเขาเหานื่อย <m dled stupid toilet> แล้วก <st utt enza consumption> <co> ็ให้เขามาพักพักก็นอนให้ดีตอนที่นอนนอนก็อย่าไปปลูกมันเดี๋ยวมันตื่นมาร้องไห้อีกก็ให้มันนอนไปแต่นอนอิ่มแล้วเอาก็ให้เขาไปเล่นตอนที่เล่นอยู่ก็อย่าไปให้เขานิ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้องไห้เน้นเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเขาก็มานอนระหว่างนองก็อย่าไปปลูกมันให้มันนอนให้ดีให้มันเต็มที่ เสร็จแล้วก็ให้ไปเล่นเหมือนการจิตของเราท่านผูฟังตอนที่จิตมันสงบอยู่กายสงบระงับแต่เราจะไปรู้ลงหายใจตรงนั้นแหมมันไม่ใช่เรื่องละจิตมันระงับไปแล้วกายมันระงับไปแล้วแต่ไม่ต้องไปรู้ลงหายใจแรงๆอีกแล้วก็ให้มันสงบไปแต่พอสงบมันเริ่มจะขี้เกียจละเริ่มจะเบื่อละอ้าวเราไปพิจารณาอ่าพิจารณาอยู่ก็อย่าไปทําให้เขาสงบอีกเดี๋ยวมันจะไปขี้เกียจอีกอ่าเราก็ต้องพิจารณาไปพิจารณาไปอ้าวมันเกินไปแล้วมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่าน เ, เขาต้องให้เขามาสงบแตนะจะสงบหากมาสงบไม่ได้ เ, เขาต้องให้พิพจารณาไปอีกทางนึงไปอีกมุมหนึ่งมันจะฟุ้งซ่านไปก็ให้กลับมาสงบเหนือแล้วก็กลับมาทําสมาธนะิสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เราก็จะเจริญสมถะวิปัสสนานี่คู่กู้กันไปได้ใครถ้ฟังไกลใครมันจะมารู้ว่าเราเจริญไปคู่กันเราอันไหนนําอันไหนใครจะรู้ก็ตัวเรานี่แหละต้องรู้ถ้าตัวเราไม่รู้แล้วใครมันจะมารู้ นีนไม่มีท่านผู้ฟังเราต้องพึ่งตนพึ่งทำคนที่เขาอาจจะรู้ก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้มาเที่ยวหาบอกเราหรอกเนีรเราต้องรู้ด้วยตัวของเราเองธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องรู้ได้เองเห็นได้เองไม่ใช่หรือครูเจ้าต่างปลาอย่างนี้นี่แหละคือคุณสมบัติของธรรมะท่านผฟังเป็นสิ่งที่รู้ได้เองเห็นได้เองปฏิบัติได้เองเนีรเราฟังได้ข้อมูลมาแล้วเราไปทําเองได้อยู่ที่ไหนเราก็ทําได้นีเป็นรูปแบบหรือได้รูปแบบได้ทุกรูปแบบ ที่บ้านที่รถนั่นเรมทุกรูปแบบตรงนี้ให้มันมีความชํานาญมีความคล่องตัวมีความติดต่ออย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะัรนเรมไปอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังผลจะเจริญกันได้ผลจะเกิดขึ้นได้ผลนั้นก็คือความที่เป็นความสุขผลนั้นก็เป็นผลที่มีความหวานความชุ่มฉ่าเกิดขึ้นในใจของเรานะเพอใจเราดีแล้ววาจากายมันก็ดีขึ้นวาจากายดีขึ้นสิ่งแวดล้อม ก็ดีขึ้นคนรอบตัวก็ดีขึ้นจากใจข้างในที่ดีขึ้นนั่นเองให้จําไว้ท่านฟังทุกอย่างเกิดจากใจหนใจของเราเป็นใหญ่ใจของเราเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จด้วยใจขอให้มีความมั่นใจขอให้มีความตั้งใจขอให้มีความสบายใจว่าคําสอน ง, งพระเจาของเราอยู่ในใจเราได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเรามีใจเป็นเชือกชักเนื้อชักให้กายของเราไปนะไปตามธรรมธรรมะพระพุทธเจ้าหมุนเอาไว้แล้วในขี่เช่นไว้แล้วไปตามทางแล้ว เราชักใจของเราบังคับกายให้ไปตามทางนี้บังคับใจให้ไปตามทางมรกและจะไปสู่ผลที่เป็นความสุขความเจริญได้ข้าพเจ้าพระไปบูญขอลาไปก่อนเจริญพร